ด้วยชนทั้งหลายนี้ประกอบไปด้วยวิมติสงสัยไหลหลงจงวิสัชนาให้แจ้งกอดพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเอสานิพานทาตุอันว่านิพานทาตานี้มีอยู่สุขาปณีตามีสุขประณีตและละเอียดยิ่งนักสัมมาปฏิปันโน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 ก็หลีกออกจากที่อันประกอบด้วยภัยคือทุกทั้งสี่นั้นมาสู่พระนิพพานอันปราศจากทุกทั้งปวงนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียปานดุดบุรุษอันสัญจรไปในที่อันมีเลนตมเดินลำบากบุรุษผู้นั้นเพียนหลีกออกจากที่นั้นมาสู่ที่อันดอนบริสุทธิ์อันสะอาด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 มหาราชะดุราณะบพิษผู้ประเสริฐพระโยคาวะจอนเจ้ามาพิจารณาซึ่งสังขารโดยจำเพาะเจาะจงก็เห็นกองทุกข์ทั้งสี่คือชาติที่ทุกชาราทุกข์พยาธิทุกขมารณะทุกข์แต่ยังแลเห็นสุขเจืออยู่เล็กน้อยในเบื้องต้นบ้างในถ้ากลางบ้างในที่สุดบ้างที่นั้นจิตก็งงงวยไป